และธรรมเทศนาลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าตัดเหตุของวัดตวบนพวกเราทุกคนนะบอกว่าทุกคนให้ระวังถนนหนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดของเราที่แรกเราก็กว่าอำนวยความสะดวกนั่นแะแต่มันก็เป็นพิษภัย เพราะถนนพ้นทางถนนคอนกรีต้างว่าไปด้วยความระมัดระวังก็ไม่เป็นไรพอระวังถ้าหากว่าไม่ระวังอันนั้นอันตรายเดินไปแลว้วก็เดี๋ยวหกล้มขาหักแขนหักกระโปงหักมพร้อมที่จะหักได้เพราะฉะนั้นพวกทุกคนอนะให้ระมัดระวัง ทางนี้ทางนั้นกันับทั้งหลวงพ่ออินด้วยเพราะงั้นแต่ไม่ใช่หลวงพ่ออินจะไม่หกล้มไม่ใช่นะะบอกท้งนี้ทางนั้นบอกพวกเราทุกคนระมัดระวังมันอันตรายจริงๆนะดูๆแล้วถ้ามันเสียถ้ามันหักไปแล้วมันไม่คุ้มค่าเสียเวลาเป็นเดือนๆตั้งหลายเดือนเห็นไหมครูบาโอโค์หนึ่งนะส้นแตกส้นเท้าแตก เกือบจะสองเดินแล้วยังขยับยังเดินไม่ได้เขายังไม่ให้เดินอย่างน้อยจากสามเดือนจึงจะลงเท้าได้พูด่ะมันเสียเวลาขนาดนั้นมันอึดอัดจะทำยังไงได้มันเดินไม่ได้กระดูกแตกถ้ามันเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วก็แย่มันกันนะว่าอดีตกรรม อดีตกรรมหรือปัจจุบันกรรมอดีตกรรมก็คือพวกเราคงจะเคยหักหักขากบขาเขียดในอดีตมั่งมาเกิดชาตินี้ยขาหักแขนหักนะอันนั้นก็คืออดีตกรรมใครมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนกรรมขาดความรอบคอบขาดความใส่ใจปัจจุบันนกรรม ก็ทั้งที่รู้อยู่แล้วมว่ามันร่นอคอนกรีตมันรึนถนนมันร่นห้องน้ามันรึนพื้นมันร่นแต่เราเราก็เดินเดินด้วยความสุ่มซามไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ดูให้ละเอียดเดินแบบสุ่มซามไปเรื่อยผล ท, ที่ชุดก็หกล้มขาหักแขนหักอย่างที่ว่าหัวน็อกเปื้นอย่างว่า อันนี้เราว่าปัจจุบันนกรรมกรรมคือการกระทําขาดความรอบคอบในปัจจุบันเนี่ยจะวา่าอดีตกรรมอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปัจจุบันนกรรมด้วยปัจจุบันขาดความรอบคอบมันก็ต้องรื้นไม่ใช่ว่าดูในปัจจุบันจะทําให้รื่นไม่ใช่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังทารวันระมัดระวังสุดความสามารถแล้วก็สุดวิสัย สุดวิสัยคือเลยถ้ามันลื่นก็ไม่ควรจะไปในจุดนั้นควรจะระมัดระวังหลีกเลี่ยงถึงจะยากลําบากหน่อยก็ไม่เป็นไรเห็นว่ามันลื่นเเราเดินเข้าป่านะดีกว่าดีกว่าที่จะลื่นหกลม้มท่านนี้ก็คือต้องระมัดระวังทําไมระมัดระวังก็นยังที่ว่า น, นอันตรายกรรมคือการการะทําทําในอดีต ในปัจจุบันพิษภัยเวรภัยในวั ะ, ะสงสารเนี่ยมันมีมากเหลือเกินทั้งก่อใหม่ทั้งกอ่งกอเก่าก่อเก่าก็มีก่อใหม่ก็มีพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่ามาเกิดในโลกเน่ดีที่สุดจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดถ้ามาเกิดล้วก็ต้องมาเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าสิ่งที่พึงปรารถนาค่อยยังชั่ว บางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยก็มีทีนี้จะทำยังไงบางทีก็มาบน่นอ้ฝนไม่ตกฝนแรงน้ำท่วมผีน้องไม่เข้าใจกันสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันลูกหลานทะเลาะ ก, กันวงสาขนาดญาติรัดทะเลาะ ก, กันพระสงฆ์ไม่เป็นที่เขารบนับถือเลื่อมใสพระสงฆ์ทะเลาะ ก, กัน มันมีจยางเยอะแยะเลยมีคนไปหาคุณแม่ชีแก้วโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่คุณแม่ก็ตอบตอบว่าตัวหักเกิดคุณแม่ไปตัวหักเกิดมันสรุปแล้วคือเจ้าหักเกิดเจ้าหักเกิดเจ้าเกิดมาก็ต้องเจออย่างนี้แหละเกิดพบมาชาติหน้าก็ต้องเจออีกเกิดมาพบต่อไปเจออีก เพราะโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้พอท่านจะเกิดจำมาเห็นจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นมาก็ต้องพบต้องเจอต้องเห็นเหยื่นทางที่ไม่ให้เกิดมีนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือไปอีกมิติหนึ่งถ้ามาอยู่ในมิตินี้มันก็ต้องเจออย่างนี้ถ้าไปอีกมิติหนึ่งนะจะไม่เจอ อันนี้ก็คือจะทํายังไงต้องศึกษาเลยะนะศึกษาหามิตินั้นมิติที่ไม่มาเกิดถ้ามาเกิดอย่างนี้ก็ต้องเจออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเจอเนี่ย น, นบางคนก็เจอน้อยนะบางคนก็เจอมากบางยุคบางสมัย อ, อย่างสงครามโลกครั้งที่สองนะเราก็สงครามผ่านไปแล้วนะ่หลวงพ่ออินยังเกิดในปีนั้นปีแปดสิบแปดหลวงพ่อเกิดสงครามผ่านไปแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นโอ้มไม่รู้ว่าเครื่องบินไม่รู้ว่าทหารยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ไว้ใจใครทั้งหมดผ้าหนุ่งผ้าห่มก็หาจะผ้าก็าไม่ได้ไม่มีเวลาทําผลที่ถูกนะันใช้ตามมีตามเกิดเพอเพอจะได้ใช้ใบไม้เอาจุกยานไม่ต้องพูดถึงของใช้อย่างอื่นประวัติกัรดานไปหมดทุกอย่างเกิดศึกสงคราม ถ้าเราเกิดขึ้นมาในยุคนั้นเรากะวักกรรมของเราเกิดมายุคบ้านเมืองปั่นป่วนบ้านเมืองทุกข์ยากลำบากถ้าว่าเกิดไปยุคกุงศรีอุทยาแล้กุกยุคเวียงจันท์สู้ศึกสงครามหลบลาข้าบฟันกันยกดาบยกหอกไล่แทงทิ่มแทงกันเอาช้างชนกันเนีอแปลว่าเขตมนุษย์เห็นกัน มีแต่จะฆ่ากันนะถ้าเกิดในยุคนั้นแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันทุกอย่างมากเหมือนกันเพราะบ้านเมืองปั่นป่วนนะเนี่ยสรุปแล้วคือตัวฮาเกิดนะอย่างคุณแม่ว่านะแต่ตัวไม่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละแต่จะทำยังไงจะไม่เกิดนะนก็ต้องเข้ามาหาที่ว่าก็ต้อง ต้องศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนพาเกิดก็คือใจใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีเชื้ออยู่ในใจชํำละเชื้อที่มันจะพาให้เกิดออกตะมีแต่จิตใจบริสุทธิ์เหมือนกับมเมล็ดข้าวที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเปลือกมันมียางมันมีตามันพร้อมที่จะ กเกิดถ้าไปถูกอากาศอากาศชื้นอากาศพอเหมาะไปหวานลงในดินถูกน้ำมันก็งอกเกยเป็นเมล็ดข้าวแต่ถ้าเอาเมล็ดเมล็ดข้าวนะั้นมากระเทะเปลือกมันออกซะ เ, เสร็จแล้วอย่าเอามาเนื่องอีกให้มันสุกแล้วไปปลูกมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะมันเชื้อมันหมดแล้ว เชื้อที่จะพาให้เกิดมันหมดนีใจของพวกเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาจะทำยังไงจึงจะชำระเชื้อของใจให้หมดแล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปเจอเจอวิธีการท่านจึงแน้นแนะ น, น, น, นำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายสอนพวกเราให้เดินตามนี้นะ ถ้าเดินตามนี่แล้วจะไม่มาเกิดอย่างลงตามหาบัวท่านประกาศเลว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วคือสรุปแล้วก็คือท่านกระทะเปลือกข้าวแล้วก็ไป น, นึ่งให้สุขสิ่งที่จะพาให้เกิดนั้นไม่มีแล้วยังเแต่ความสุขไม่มีอะไรจะมารบกวนในใจดวงนั้นอีกที่จะพาให้เกิดอีกไม่มีหลักของพุทธศาสนา ท่านสอนอย่างนั้นพวกเราให้ศึกษาสรุปแล้วรับพอรอ น, นโมทนาให้พร